แทนที่ท่านจะลอยทิ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างลใจของเราบริสุทธิ์แล้วอยากจะทําอะไรจะทําไปไม่เป็นอย่างนั้นดูพระพุทธเจ้าแลือพระริยาเจ้าถั่วไปในอ น, นุปุธะอเองไหนที่ท่านทาชั่ว ท, ทําเสียเลือดท่านเํานเลสเป็นอาละวาดอรหรัรหรทนท่านที่จิตใจของท่านในข้องในทางชัว่วทางดีแต่ท่านก็ไม่เคยทา นอบขอบเขตของท่านนี้หนหยไปนปมุม่งมั่นรักษาปัจปุบันหรือวิหารธรรมของท่านอยู่ตลอดบันแต่ริมิพันธ์แต่เคยเห็นไปต่อสรา้างอันนั้นไปต่อสรา้างอันนี้ไปปลูกเศษนั้นไปปลูกเศษนี้ปลูกเสษใจของท่านเท่านั้นใจของท่านจะเสษดีเสร็จแล้วจะไปปลูกเศษ อะไรอีกเพราะสิ่งอื่นนันมีความหมายนอกจากใจเท่านั้นที่มันมีความหมายอยู่ควปลูกเสดไปถึงที่กับปลูกเสดไปถึงที่แล้วจะไปปลูกเสดเรื่องเหรียญเรื่องพระอันอื่นไม่เคยมีในตำรับตาราธรรมะของพระพุทธเจ้าทํามโนสอนให้หลงไหลจะเสดเพลินไปใ น, น, นเรื่องนอก พยายามที่นี้ที่จณาพยายามศึกษาพยายามเอื้อมกายกายใจใจคงตนในจิตคงตนเข้าถึงทำสิ่งที่นั้นผิดมันจะโดงบอกถึงหนึ่งคนมับพูดมาเตือนแต่อันนั้นมันผิดอันนั้นมันไม่สมควรแต่ธรรมะจะเตือนตัวเองสิ่งใดนั้นผิดมันจะต้องไปคิดไปฝั ง, งในจิตของตัวเองนอกจากนั้น อาจจะมีธรนบงบอกขึ้นโดยหนูเมื่อคิดว่าอันนี้มันผิดในค่ควรทำทั้งๆที่เราหนูกําหนดเอาไว้แต่มันบอกอขึ้นมาภายในยว่าหนูควรหรือผิดธรรมารักษาผูกธือทอย่างนั้นจึงเป็นเรือรรร่องอัศจรรย์ผูกคือทำเห็น่ยงทำถ้าถึงทำเพียงจังไมนมีอะไร ที่จะมาทำให้ตัวอของฉันเลี้ยงไหลเพลิดเพลินมัวเมาเสาะจิตไปในเรื่องนอกนี่คือมีทั้มในจิตข้องในสมมติในจิตข้องในอาณาจกมีจิตดบดริสุทธิ์สม่ำเสมอทุกระยะทุกเวลาลแต่สิ้นแล้วที่เราไม่รู้ไม่เห็นกับท่านเราก็ ขาดเอาเดาเอ า, เอ า, เอาหรือเข้าไปถึงผิดทั้งเพลงจิตบร้สุทเป็นอย่างไรพอเรายังไม่เห็นใคาใจเรามันจะเป็นอย่างนั้นใคาใจเรามันจะเป็นอย่างนี้พอยังไม่เห็นในตัวถ้าเห็นในตัวคนจิตรู้จี่เห็นเดียวกันไม่ต้องพูดหไ า, า, า, า้ถ้อยไร้คำพอพูดออกถึงคำบริสุทธิ์เท่านั้น ก็เข้าใจกันอย่างจริงจังไม่มีอะไรที่จะสงสัยฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเรื่องใจเป็นเรื่องสําคัญอย่าไปคิดว่าเรื่องอื่นอย่าเป็นเรื่องจําระกายใจบ้า้ทํากติวิหารทําบททําจะลายใหจเตอใจใหญ่ใหญ่ใจเตอใจจะสว่างสวาใจใจเด็กบ้านหายความขัดข้องหยุ่นเยิต่างๆอย่าไปคิด ไปชิดแบบนั้นไม่มีวันเราตั้งหน้าต่างตางกําหนดผู้เจรนาหน่วยจิตแวบออกไป้ายนอกมันจะยังยากยังลำบากอยู่ยิ่งจะไปแบดบไปหามภาลานาคีภายนอกมันจะยิ่งซส่งออกไปเตี้ยออกไป้ายนอกได้อันนี้อย่าได้อ น, นั้นไม่จจะยากเลื่อยไปความยากเป็นทางเกิดทุกข์ถ้า วิยนยาภายในระวังรักษาใจเป็นใจมีความสงบระงับดับยืดหยุนได้เสียงก็ดีรูปก็ดีเรื่องต่างๆก็ดีมันเป็นภาระนั้นไม่อยากจะทำํำจะเกี่ยวข้องเพียงแตคิดในจุตในใจเรื่องของสังขานก็ยังเป็นเรื่องหนักเรื่องลำบากมันได้คิด ในข้อถือควนคิดจำจนถึงจะคิดวันนั้นหมดเหนื่อยผิดธรรมดาถ้าหากลอยเอาไว้มาเดี๋คิดเกผ่อนกับอะไรอยู่ตามเรื่องของตัวมันสะดวกมันสบายมันมีกําลังเพราะทุกระยะเวลามันสงบสังขารถือมันเติมขึ้นมันก็ต่กไปตกไป ตัว อ, อย่างนั้นการงานหน้าที่ที่เราเคายคิดเคยคตึยงถ้าทางต่อใหมันต่อไปมันก็ไเสียเหน็ดเป็นผลเป็นประโยชน์ให้เวลาเราไม่ปล่อยมันพยายามคิดในสิ่งเหล่านั้นมันจะเหนือ่อเหนื่อยเหนื่อยหิวหูวเพื่อินละเอียดลื้อจัดเรื่องต่า ง, างๆนานาที่อยู่ในตัวของตัวเอง ยิ่งไปทำเรื่องภายนอกก็ยิ่งไปกันใหญ่คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้แทนที่จะสงบมันไม่มีทางสงบพระพุทธเจ้าตั้งมือใจแ่็นกระแลเสริมการงานด้านนอกชมเชยความสงบทมดีด้วยฐานาของพระพุทธเจ้า สังเกตเหอย่างนั้นเราทุกท่านตป็นอย่างไรเด็พิจารณาไหมเรื่องกายใจของเราหรืออยู่จะเร่องกายภายในวัดใจมันยุ่นวุ่นออกไปอยู่นอกวัดขโมยของเห่าของนุนเกี่ยวจุงยุ่งกับอะไรเพิ่ออีกให้ระวังรักษาพิจารณาตัวเอง กรรมฐ า, านเขาถือว่าเป็นนักปฏิบัติสูขคนทั่วไปเลื่มไส่ศรัทธาแบบเป็นพระคือผู้เประเสดเมื่อจิตใจยังติดข้องเส่้าหมองเพิดเพลิในอารมณ์สัญญาต่างๆนานาอย่างนั้นพระมันอยู่ที่ไหนหมามันก็คิดได้คิดได้นะธลรงนั้นเราเมย กับมาตลอหรือเขาเาข่าวเอาตาเอาลอกไม้ถูกเีินมาสักการาบชาเรามีดีที่ไหนสอนใจของเราให้ตื่นอย่าให้หลุ่มให้หลงเขามากราบมาไหว้นะาักการะบญชาแต่เราเป็นผู้ดีผู้ดียิ่งเสด็จยนดังเพียรทับจิตใจไม่มีอะไรที่จะเป็นของมีเสด็ให้ เราเป็นเติดในเ่ิงแบบหลอกเข้ากินเมื่อละอายโลกเขาหลุดต้องคิดสอนตัวเองเนะ้ตัวเองอยู่ปสมัณฝนนออะไรที่จะเป็นพระเป็นเมนืองได้เราต้องพยายามรักษากายรักษาว า, า, าจารักษาใจคงตึงคะคือสื่อกระเิดกระเซิอย่างไรโลกเขาหลุลมเขาหลงเขาเติดเขาเตืเอนในเรื่องวูเสียงกิ้นลดใจของเรา ไม่ได้ล <là, ngày S 1> <t> ืมโยงตัอย่างนั้นสิ่งของเราความปกติของเราปกติอยู่ทุกการทุกเวลาในแต่ในทำเชื่อช้าลามมดไม่ได้พูดในสิ่งที่เสียหายในสิ่งที่เป็นอกุศลรักษาทุกประตูในทางชั่วภายนอกมันจะไหลเข้ามาความชั่อภายในกําจัดปัดเตาออกไป คือส no ุปฏิปันโนอุสุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนปฏิบัติดีมันมีอะไรที่จะตหนุตัวคงตัวหือเทือกไปพิ่เจริญาแล้วก็มีเนี่ยใดมุนใดที่จะสฉงใสที่จะตหนึ่งได้เพราะตัวคงเตาระวังรักษากายและใจใจอยู่ตลอดเวลาดีมันมีเทือก ตรงต่อทาคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงต่อที่เลือตัันหาตรงต่อทางจับตัดสรุยายายตัดจิตปนโนจนถึงสานิจิพระพุทธเจ้าและอริยเจ้าทหลุพ้นอย่างไรไม่มีทางสงสัยหยุดใจของเรา เป็นอย่างไรจิตใจของพระพุทธเจ้าหรือพาลยเจ้าที่ต่อไปเรื่อยๆก่อนเหมือนกันไม่มีทางสชื่องใสไม่มีอะไรเป็นปัญหาเพราะความบริสุทธิ์อันนี้มันมีอยู่แต่ไหนแต่ไรแต่เรายังไม่เห็นไม่เต็นพอเห็นพอเป็นแล้วมันก็ไม่มีทางสชื่องใสบาปพระพุทธเจ้าทำเรื้อยๆอย่างไรใจเ่องทรามแบบเป็นนุุ่ดเป็นนุุ่ดอย่างไร ใจของเราได้รู readers, now, like can, một, course, <c oughs> ้ได้เห็นได้เจออย่างนั้นมันจึงมีการสงสัยว่มันจะเสื่อมไปอีกไหมมันจะเจริญไ้อีกไหมจะนีอะไรที่ต้องการจะไล่จะมันเพิ่อีกมันหมดจิติญญาณทุกอย่างจิดเป็นอริยรเป็นมีจิวิญญาณ ไม่มีปัญหาไม่มีความขวางจิตไม่มีการเข้าการออกไม่ใส่จินละเอียดไม่ใส่จิตรวมรวมจิตชนินี้เราเคยปฏิบัติมาระยะยาวนานรวมเสละเอียดขนาดไหนอยอดคลายขนาดไหนกาหารในการต่อสู้ที่เหลือขนาดไหนก็ทราบ มาทึกระยะแต่เมือมาเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นไหมมันต้องมีทางสงสัยเพราะเป็นมทดถ่วไปไม่เข้าถึงไม่มีอะไรที่จะไปสงสัยในความรสุสธกทัองตนเพราะความพ้นจากการละการบำเพ็ญเป็นสาเนจิเป็นที่ ไปถึงขั้นไหนตอนไหนมันต้องมีอะไรที่จะสงสัยในตัวทันจริงกล่าวไว้ในธรรมะขุนว่าเป็นสันทิทีิโกเห็นเองเชื่อก็เห็นเองดูแก็เห็นเองอยากแต่เห็นเองละเอียดก็เห็นเองความสุขทุกข์ก็เห็นเองไม่ใช่คนอื่นจะมาเห็นให้เมื่อเห็นเองเข้าใจเองอย่างนั้นจะมีทางสงสัยอย่างไรเมื่อเราจับมันแข็งมันเย็นไหม มันร้อนเราก็ราดจากภัยมันร้อนหรือมันเย็นเราก็ราเพราะเราไปสัมผัสเองหยุดที่ไปสัมผัสไปเกี่ยวข้องไปถูกป้องกับอัจทำนั่นก็ทํานองเดียวกันซาไปทุกขั้นทุกระยะจนถึงที่สุดจะไปที่ไหนอีก มันก็ทาบอีกจึงไม่มีทางสงสัยกาปรปฏิบัติมีสิทธทุกคนในว่าพระวัดเนในวัาคารวะหญินชายเพราะธรรมะเป็นของกลางนี่ใคยที่จะมีอธิสิทธิเป็นเสรีภาพที่จะไปะเพื่อปฏิบัติได้เพราะกายใจอยู่กับเรา สติปัญญาอยู่กับเรามันคิดพิจารณามันศึกษามันกระทําบําเพ็ญสิ่งที่ใน่เนก็จะเป็นขึ้นสิ่งที่ในมจเห็นก็จะเห็นจะรู้จากการกระทําของตนเพราะถ้าทําปัญญาไม่จนโมฆะไม่จนมันจะทําทางกายทางวาจาทางใจก็เห็นผลอย่างน้อยก็ในตำแหน่งตนเราอยู่ เป็นเมตตามนัน่ิมพ์พิจารณามันศึกษามันกระทำมันบำเพ็ญถ้าเราเป็นพระเป็นเมรนที่ดีที่ดีมีคุณค่าในตัวแล้วอย่าไปเลดชิดติดข้องวาโลกอันนี้จะไ ม, ม, ม, ม่มีความหมายสำหรับเรามีความหมาย พอเรามาเกิดในโลกอันนี hey. Welcome everyone. Welcome everyone. Kind of so, ้ได้ทําประโยชน์ได้ทําคุณงามความดีแล้วอย่าไปคิดแบบคนอื่นเขาจะไม่เห็นในความดีเด่นของตัวเขาจะเห็นแตรู้อย่าไปคิดนะจะเกิดความอึดอยากอยากจนจะเป็นทุกข์เพราะทำรักษาผู้ประเพธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ทำคือคนปกิบักิดีแล้วนความสุขมาให้ไมนมีทุกขขอทุกคนจงสึกเส้นกระทำบำเพ็ญพยายามสายเกินไปทำดีในสุ่งพระพุทธเจ้าจงมันหยัดเอาไว้เป็นศาสดาแทนพระองค์คใดตา้งนาต่างๆที่นี้ที่จะนาพัน น, นะโดยเฉพาะก็คือกายายจายใจทุาตนว่าเย็นนี้ เราทำอะไรอยู่ยานี้การเน็กคิดของเราผิดถูกอย่างไรใจของเราอยู่ในตอบต้องทำด้ไหนหรือไหลไปยองโลกเตื้อตาที่ยามาอยู่เรื่อยไปศึกษากายราจาจนไปพิกุเมื่อจบในการศึกษากายราชาหรือถาดขันอายตนะของตัว ใจทั่วิุกอย่างไม่มีทางโปร่งใสก็ได้ชื่อว่าเวียนจบถ่าตายคือดับศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือการรักษากายวาจาสมาธิเืิดความหนักแน่นของใจปัญญาความรู้ในสังขารสังขารอื่นไม่ต้องพูดสังขารภายในสังขารเครใจคือจุนแต่ควารู้ ว่าผิดถูกเชื่อดีอย่างไราควรจะแจกงเผาจับปืนตัวอย่างเราจึงจะเป็นไปถึงความผลทุก์ mm. เมื่อถึงความผลทุกแล้ว mm. อย่างขันทั้งหายุกเวทานาสัญญาสัญญามนุนาย์จะทราบดูว่าสิ่งเหล่านี้เป็นขันไม่ ใ, ใช่ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ไม่ใช่ขันอันนี้ขันอันนี้มีอ น, นิจาง ทุกครั้งอนาาัตตาความบริสุทธิ์ไม่มีอ น, นิจจังทุกครั้งอนาาัตตาแต่ว่าอัตตาก็ไม่ถูกอนัตตาก็ไม่ถูกทุกอย่างคือเป็นสมมติไม่ใช่อันนั้นอันนั้นเป็นอะไรผู้ปฏิบัติจะทราบชัดภายในตัวว่าคือความหลุดพ้นมี่ก็เป็นสมมติเลือกผ่านนี่จะเป็นสมมติ สิงที่เนื้อสมมตเราเราเข้าใจยึงไม่มีอะไรที่จะสงะสังยจะแก้ไขด้วยดํางเพนไม่มีนี่คือการประพฤตปฏิบัติตาอาจทำเมื่อเข้าใจเรเห็นตามเป็นจริงแล้วจริงสุขสบายมากไม่มีอะไรที่จะเหนือกว่าจิตที่มีอาจมีทำมีความทุก เป็นสุขทเน่าทีเสียแต่สุขในธรรมเป็นสุขที่หยอกเย็นเป็นสุขที่ในเน่าไม่เหม็นเป็นสุขที่หน้าอัศจารย์เป็นสุขที่ทนักาผัวไปสัมมาสนั้นจึงควรต้องปฏิบัติให้เข้าใจให้เห็นจึงจากตัวของตัวไม่อย่างนั้นก็จะมีตารสงสัยเกิดขึ้นบัณฑิต อย่ทันผูดเป็นอย่างไรถ้าในนี้ในเราเราก็ไม่พอใจทุกสิ่งทุกอย่างหากมันเป็นมันเหมือนมันรู้ด้วยกันมันผุดกันง่ายถ้าหากนเป็นไม่เคยเห็นเคยรู้มันผุดกันยากอย่างความเชื่อมอย่างนี้หากคนนั้นไม่เคยริ้นรั่วความเชื่อมเป็นอย่างไรยาที่ใบมันเชื่อมเหมือนเกลือเกลือมันเชื่อมอย่างไรก็เหมือนเกลือแบบนั้นเกลือที่ายก็ได้แต่เชืมแค่นะ เพราะมันเช็นอย่างนั้นแต่เชนนั้นก็ไม่เคยทางเรือไม่เคยกินเรือสักทีก็ไม่ข้าบว่าเช่นนั้คืออะไรใจของเราทเ่พระพุทไเจ้ากล่าวไว้ว่าทำนองเดียวกันไม่มีอะไรที่จะองสัาถ้าหาไปเห็นไปเป็นแล้วเกิดขึ้นทำซ้อนทำแถวนั้นเข้าใจกันอย่างจริงจังพาความเป็นความเห็นของท่านกับของเราไม่แตกอะไรกัน เราเจนเราเห็นก็มีทางสคร่งใสเหลื่อยไปฉะนั้นการปฏิบัติอัตธรรมคือพระพุทธาจาเจ้าแนะนําต่างสอนคือจิตอบรมใจเคงเนจึงเป็นเรื่องแก้กปัญหาความสคร่รงใสทุกอย่างให้ตกไปเองโดยไม่ต้องไปไปถามคนนั้นว่าสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรยืดลดเป็นอย่างไรยืดลดยานภาชนะเป็นอย่างไร มีทางสงสังสพเพราะตัวท่องตัวเห็นเป็นในตัวท่องตัวถึงจะพู ด, ดขนาดไหนนั่นก็ไม่พอไปถึงความบริสุทธิ์ได้เพราะความบริสุทธิ์มาอยู่ในเรื่องปากคำพูดของคนความบริสุทธิ์มันอยู่ภายในเข้าใจแต่จากพูดบริสุทธิ์เท่านั้นจะเอาความบริสุทธิ์ออกมาพูด มืภายนอกมันจึงไม่ถูกหลายมือมนก็ไม่ถูกไม่ถูกความบริสุทธิ์ถ้าจิตยังไม่ถึงบริสุทธิ์ถึงมือานด่ายมือมดก็ไม่ถูกเพราะจิตยังไม่เป็นมือมัดไม่ถูกทั้งนั้นในตอนที่เรื่เราทันได้ไม่ถึงถ้าเรเราทานถึงแล้วแมนกรณีอะไรสงส่ยคำเหล่านี้มันเป็นมํามัด จะมทางเส้นสายการโลกของชายสมุดใชายสมุดในปฏิบัติตามสมุดศีลมันก็จะมีศีลก็คือเรื่องสมุด้ายูนาเป็นรื่อสมุดจึงควรที่นี่ตจใจนาศึกษาตางหา่างกาตเพทปฏิบัติทุกวันทุกเวลาอายุของเราหมดเจไป เราจะสาดระดมใดเราจะตายจะจาะไปถึงจิตเท่ากัจนจึงจะตายหรือจะไปถึงแฉะไหนกว่าตายแล้วก็สาดไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นดวงจนันทรรียดเรื่องจะทำมัน่นเพลินเมื่อเราเป็นเราเห็นเราดีเราดุนภ า, า, ายในจิตในใจของเราจะอายุมนะ้อายุอ่นอนหรือก่อตังจะเจ่เท่าก่ตางมันเป็นอันเดียวกันมันไม่มี ตามมีเวลาเยละอาตาหรือโปกยจิเรืองนั้นความดรู้สึกอันนั้นจะเยืนเยืองคงอยู่ไปตลอดไรนั่นจะมีมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะเสงสัยแต่ตายไปในระยะนี้นั่นจะไม่มีอะไรที่จะเสียดายเรื่องธาตุขันซึ่งที่เราต้องตามซึ่งที่เราอยากได้ซึ่งที่พอ หยุดพอดีในมีอะไรที่จะเพิ่มเติมมันมีแล้วอยู่ในตัวของเราคือมนมีทางสงสัยในมีทางจะเหี่ยงใหญ่เหว่งชีวิตนี่คือผู้ขี่ผ่านถึงที่สุดเดือการยุดเหวี่ยงผ่าเกียวพยายามกระทั่มบำเพ็ญมาโดยอยู่ในวันคืนที่เดือนผ่านไปต่าง คุณงานความดีแต่กายรายายใจทั้งตน็นถึงอยู่มุดทีสุดบ้างคนนั้นแหละมีคุณะนะค่ณาสะมากถึงคนอื่นเขาจะไเห็นจะทํทาการทํางานด้านอื่นในด้าดนก่อตังแจะาำบริสุทธิ์อของเราเหมืเคยมีการเจอกันเสียอะไรข เ, เขาสัญไรเสริมหรือเขาตำหนิอันนั้นนักนเป็นวันไหวใน ต่อพูดเพื่อทปากให้น้อยกายมันอยู่หรือมันจะแตกไปอันนั้นจะบันไหลเอียงหรือไม่จะเป็นอย่างไรต่อไปมันจะมีทางสงสัยอีกจิงสุกจึงสบายมากจะอดอยากขาดแคลนขนาดไหนความเป็นไปของความบริสุทธิ์ในเอื้อมจะขาดแคล จะมีมาขนาดไห น, นใจจะเหอจะหลงไปตามลาบจะทะเลาะเส้นมบบนั้นมันก็เลยเป็นไปอีกมันคงเส้นคงวาตาั้งแต่พระพุทธเจ้าตัสรู้เป็นจะทั่งตานนี้ความบริสุทธิอันนัน้นมีการเปลี่ยนแปลงยังเหมือนเดิมอยู่อยากรูอ้อยากเข้าใจถึงกับพุทปฏิบัติในตัวเองฝนรู้ภายในตัวของตัว จะไมมีทางเง้าใส่ธรรมะเป็นอาจาริโกจริงใช่ไมเสื่อมจะเลียนไปตามเรีนปากของคนคูอบอกว่ปฏิบัติจะต้องเห็นทุกขั้นจนถึงความเป็นอาจาริโกเป็นที่ในมีการมีเวลาในมีเข่ามีออกในมีเสื่อมในมีเจริญในมีตัว ทำจิตถขมรตั้งใจว่าตาลูกกูพยายามพิจารณาพิจารณาเรื่อยไปเบื้องต้นพิจารณาเรื่องกายให้เข้าใจตามความเป็นจริงของมันจิตใจจะหเล่งในเกิดราคาตัญหาหาพิจารณาในทางกรรมฐานพิจารณาในทางตัาหาสังจิตใจของตนยุดเมื่อมี สมาธิมีความยังเรียนได้จะมีจะมังคับัญชาอยากจะทำทุกตานทุกเวลาถ้าเหวนอัจรย์จิตปีนจิตชิดเวลาความทุกข์ความลำบากขนาดไหนเราไม่ทราบเราะฉเหวินจิตหยุดจิตเวียนถ้าไปเหวนจิตหยุดจิตเวียนไา้ความทุกข์ยากลำบากในการปืนการชุดนั้นขนาดไหนจะทาโดยใจของตัวเอง แ่ถ่ายจะเห็นจากการพักก่อนเงจิตโดยถ่ายเดียวในเหพุเจนมาหาทางละทางซอความสงสัยต่างๆพอถูกอารมณ์ปัญญาตรุเขาไปอยู่ในสมาธิมันจะเกิดเวยปัญญาผิจจลละถอนหลุดกิเลสปัญหาติดสุขของสมาธิทเป็นเหตุเจนมา พอถอดถอนกลิ่นมาจากความเป็นหนึ่งจากสมาธิทิ่เจนนะปัญญาแถวนั้นจะเป็นเครื่องสังหารกิเลสในใจเดียงของสมาธิในที่เจนให้ดีธรรมะไม่เป็นห ม, มันธรรมะไม่เป็นโมฆะ <c oughs> ถ้าเราไม่เป็นโมฆะในเราไม่มีใครที่จะเชื่อเราได้ กับเราเชื่อเราเองในมีใครี่จะทำลายเรายิ่งแต่เราทาลายเราแต่นั้นเรงสอนใจของเราในที่นี้ที่เจนมาให้ศึกษาให้ปฏิบัติอย่าไปคิดอย่าบ่นน้อยอย่าปนหาในมีในธรรมมันไม่มีน้อยในธรรมมันก็ไม่มากพยายามสอนใจของตน ถึงเหนือเหนียเนื่อยหิวลาบากเราก็ทาเพื่อเราจะให้เกิดความสุขความสบายความกวนจากทุกเขาทางานด้านอื่นยิ่งอยากลาบากดึกดืนเที่ยคืนเราก็ยังทากันอยู่บางคือตายในถนนท้งทางบางที่ตายในน้ำเพราะเขหางมาเหยื่อตายเหยื่อท้องของเขาตอนนั้นสมบัตคือเขาหาง นะไม่ใช่ว่าเขาจะหาหามพอบชื่อไปสืบออกหน้าได้แต่ที่เราหาเป็นสมบัติภายในที่เราทําเป็นสมบัตของใจเราทําได้ตายก็หนึ่งโดยเสียหาไปชื่อไหนเพราะจริงที่เราทํามันอยู่กับใจของเราไม่ใช่วัตถุภายนอกจึงควรการยิ่งที่จะสอนใจให้ยินดี ในอัดในทำในการแบบพฤติบัติพยายามสอนตนพยายามบังทับตนการสอนต่าละเลยกว่เคยมาแล้วผนทิตปรากฏในตัวเป็นอย่างไรทุกคนก็ย่อมสร้าบหมอบมาบังทับบัญชาที่เจรนาภายในต่างใจทำํำผนจะเป็นอย่างไรเราก็จะต้องทราบเช่ไหม ใ, ใจของเราอีก ไม่ใช่คนอื่นจะนาแด่งคุณตามดีคือเราทําได้เราเป็นเส้นบัตรของเขาเราทําได้ขนาดไหนก็เป็นเส้นบัตของเราขนาดนั้นไม่มีใคอะไรทีจะมาต้นที่เอาคุณความดีจากเราไปของหายใจเพราะเราเห็นอย่างนั้นตราตงหน้าต่างตาตัพงตัปฏิบัติ ความสุขความสบายเวลาเราเคอขาดชิดจะเจอพบเห็นจะเกิดเติมขึ้นพาโดยตัวของตัวดันั้นขอทุกท่านจงดูดต่งางๆแต่ตทาบาเพ็ญแ okay. ะสบพพบเห็นความสุขความเจริญการที่บาวธรรมะป็นั้นเราต้องชวนจิตเวลาเพราะยุติเรื่องเกีเ้